ที่ไหนสมุทปาการค่ะมาพักหรือเปล่ากลามวแล้วก็นี่มาพักเทวันเลยหรือว่าพเที่ยหคืนัไม่ได้พักทับมาแล้วก็เต็นกับเลยค่ะออมาตั้งแต่เช้านะฮะสิบเอ็ดโมงค่ะรถติดไหมตครับ ทำถนนครับม า, มาเส้นไหนคมาเส้นสายเจ็ดนะครับบายพาสมาลยองครับอืม้ามาสามสามหนึ่งต่อเองใช่ครับเข้าทางด้านหลังนะสุดครับถ้ามาทางสุดคุเวทยิ่งจะจะติดมากกว่าถ้ามาทางว<า><า>ัธยาต้องลยครับเรากำลังทางมาทางนี้ครับผ ม, มน่าจะติดน้อยกว่า เออทางสุโขมิตจะมีแยกไปแดงเยอะถ้ามีคนนําทางดีก็ไปได้เร็วมีคนนําทางไม่ดีก็ไปได้ชา้าถ้ามันพาไปอีกทางนึงที่มีรถติดเยอะเดี๋ยวนี้พวกพวกแผนที่นี้เขามีเขาสามารถคำนวณเวลาได้หรือเปล่า ใช่ครับจำ น, นระยะทางแล้วก็เวลาครับเราจะเลือกเวลาที่สั้นที่สุดแต่ไม่ใช่ระยะทางที่สั้นที่สุดครับเพราะว่าเขามีมีมีไฟแดงมีอะไรต่างๆเขาจะมีจะมีว่าจังหวะตรงไหนรถติดที่ไหนครับเขาจะลิกลี่ยงเส้นทางให้ครับอืแล้วเวลาไปไหนมาไหนก็จะค่อนข้างรู้เวลาที่แน่ชัดครับแล้วมันเป็นล่าสุดหรือเปล่าข้อมูลว่าเป็นล่าสุดครับน่าจะมาอยากสักท่าไหรนะครับออ ใช้ได้ผลอยู่ครับเพราะถึงที่นี่บ่ายโมงห้าสิบห้าก็ตกเวลาอย่างนี้ความรู้ความสามารถของมนุษย์เราก็ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นแต่มันฉลาดไปในทางทางที่ไม่ควรจะฉลาดนะทางที่ฉลาดมัน กบไม่ฉลาดเพมันฉลาดไปในทางกิเลสฉลาดไปในทางความโลภมันก็ยังไม่สามารถที่จะมาทำให้เราสบายใจได้ตลอดเวลามันก็ยัง เราก็ยังมีความไม่สบายใจอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจเราไม่รู้กันว่ามันอยู่อยู่ที่ไหนเราคิดว่ามันอยู่ที่เหตุการณ์ต่างๆเช่นรถติดมันก็ทําให้เราไม่สบายใจ ถ้าเราจะรีบมาแล้วมาไม่ทันเวลาไปติดรถติดอะไรต่างๆมันก็ทำให้เราไม่สบายใจได้เราก็เลยต้องผลิตเนี่สื่อนำทางให้มันเลือกทางให้กับเราเพื่อเราจะได้สบายใจมา เป็นสถานที่ที่เราต้องการตามเวลาที่เราต้องการเรื่มมาได้สะดวกรวดเร็วแ ต, แต่บางทีมันก็อาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่ที่มันไม่สามารถที่จะคํานวณได้เช่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามทางซึ่งไม่มีใครที่จะมา อัปเดตได้ทันทีทันใดก่อนออกจากบ้านระยะเวลาเดินทางมามันก็ทุกอย่างก็เคยรด้อยู่แต่พอมาถึงไปเจออุบัติเหตุขึ้นก็ต้องติดนตกันไปไม่ได้ถ้ารีบไปถ้าอยากจะไปให้ถึงที่หมายตามเวลาเดิมก็จะเกิดความ หงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่าความหมงุดหงิดลำคาญใจเกิดจากความอยากของเราที่อยากจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่เราต้องการถ้าจะไม่ให้อยากถ้าจะไม่ให้หงุดหงิดลำคาญใจก็ต้อง ยินดีตามมีตามเกิดถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างถึงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราก็จะไม่ไม่เดือดร้อนใจจะสบายจะทำยังไงได้มันไปไม่ถึงจะไปเดือดร้อนใจมันก็ไปไม่ถึงอยู่ดีนี่คือ ปัญหาของพวกเราที่พวกเรา ม, มักจะมองไม่เห็นกันมักจะ ม, มักจะไม่มาแก้กันแก้ที่ใจเราแล้วสบายไม่ต้องไปแก้ที่ข้างนอกข้างนอกจะเป็นยังไงเราก็รับกับเหตุการณ์ได้เสมอไปไม่ถึงก็ไม่ไปไปช้าก็ช้าสุดแท้แต่ ความจริงให้เรามองความจริงกันอย่าไปมองความอยากความอยากกับความจริงถ้ามันตรงกันเราก็สบายใจเราก็ดีใจอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันเป็นเราก็ดีใจกันสบายใจกันแต่ถ้ามันไม่ตรงกันเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นอย่างนั้นเราก็จะ เสียใจหรือไม่พอใจแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงก็เอาอย่างนั้นแหละเป็นยังไงก็เอามันอย่างนั้นช้าก็ช้าเร็วก็เร็วถึงก็ถึงไม่ถึงก็ไม่ถึงติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ติดเอามันได้ทุกรูปแบบ เอาตามความเป็นจริงพอให้เราอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วเราจะมีความสุขเราจะไม่มีความทุกข์เราต้องปรับใจเราอยู่เรื่อยๆให้มันอยู่กับความจริงถ้าใจเรามันไม่ชอบอยู่กับความจริงมันชอบอยู่กับความอยากชอบอยู่กับความเพ้อฝันมันก็เลยทำให้ ไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยสนใจศึกษากันไปแก้ชอบไปแก้ความจริงความจริงเป็นอย่างนี้แต่ความอยากเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องไปแก้ความจริงให้มันมาเป็นตามความอยากเนี่ยความจริงสมัยก่อนหร่อ ประเทศไทยนี่มีป่าไม้อยู่ 70-80% ของพื้นที่นั่นคือความจริงแต่ความอยากเราเราไม่ต้องการป่าไมา้เราต้องการถนนเราต้องการตัดป่าเพื่อที่จะไปขายไปเอาเงินซื้อรถยนต์ซื้อทำไมก่อนสินค้าส่งออกของเมืองไทยก็คือป่าไม้นี่แหละ ป่าไม้นี่แหะเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่เราส่งออกไปเมืองนอกเพื่อที่จะได้แลกซื้อของจากเมืองนอกมาเราอยากจะได้รถยนต์เราผลิตไม่ได้แต่เรามีป่าไม้เราก็ตัดไม้กันไปขายไม้กันตอนนี้ป่าไม้เหลือไม่ถึงร้อยละห้าสิแล้วก็คงจะตัดไปได้เรื่อย เราไม่มีความอยากมีป่ากันเราอยากจะมีตึกรามบ้านช่องเราอยากจะมีสินค้าต่างๆที่มาอำนวยความสะดวกทางทางร่างกายและสะดวกอำนวยความสะดวกตามความอยากของเราเราอยากได้อะไรเราก็ทำมันไปตามความอยากกัน อยากเดินทางสะดวกรวดเร็วเราก็สร้างถนนหนทางกันซื้อรถยนต์กันแล้วเราก็มาติดกันบนท้องถนนเพราะทุกคนอยากเหมือนกันแต่ท้องถ น, นนนี้มันไม่พอรองรับกับความอยากของพวกเราการซื้อรถยนต์นี้มันมันเร็วกว่าง่ายกว่าการสร้างถนน ถนนสร้างไม่ทันสร้างกีถนนมันก็ไม่ทันปริมาณรถยนต์ที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนงูกินหางมันจะเลยไปกัดหางตัวมันเองหางมันก็หนีมันไปเรื่อยๆหัวมันเลยไปหาหางหางมันก็หนีไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะกินกินหางของมันเองได้ นี่ก็คือไม่มีอะไรที่จะตอบสนองความอยากของเราให้พอได้อยากได้เท่าไรมันก็ไม่พอทั้ทีนี่คือความรู้ความสามารถของมนุษย์เหมือนความรู้ความสามารถของงูที่พยายามที่จะไปกินหางของมัน หรือคนที่จะชอบเดินตะคุกเงาอยากจะเดินให้มันไปอยู่เร็วกว่าเงานนี้เป็นไปไม่ได้จะไปอยู่ข้างหน้าเ ง, งานี้ไม่ได้เดินไล่เงาไปเท่าไหร่เงามันก็หนีเราไปเท่านั้นทำตามความอยากเท่าไหร่ความอยากมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่มีวันสิ้นสุดแล้วถ้าอยาก แล้วก็จะไม่มีคำว่าสุขเวลาอยากนี่หนุีหดตลำคาญใจอยากจะไปแต่รถมันติดเนี่ยก็หนุดหิตลำคาญใจขึ้นมาอยากจะให้เขาทำอย่างนั้นทาอย่างนี้เขาไม่ทำก็หนุดหยดลําจลำคาญใจขึ้นมาเขาทำให้เสร็จก็อยากใช้ก็ทำอย่างนั้นต่ออีกทำให้เสร็จแล้วก็ไม่พออยากให้ก็ทำอย่างนั้นต่อ แล้วใครจะมาตอบสนองความอยากของเราได้นอกจากคนรับใช้นะเขาทาได้เพราะเรามีเงินให้เขาถ้าเราให้เงินเขาไม่พอความอยากของเขาเขาก็ไม่ทำาอกมันก็ตั้งอยู่บนความอยากด้วยกันถ้าเราอยากให้เขาทำจ่ายเงินมาสิเขาก็ทำให้ถ้าจ่ายไม่พอเขาก็ไม่ทำให้ เพราขาอยากจะได้มากกว่าที่เราจ่ายให้เขาไม่ได้เขาก็ไม่พอใจเหมือนกันเขาก็ไม่ทํานีำโลานี้มันถูกความอยากดันไปผลักไปผลักไปเท่าไหร่มันก็ไปไม่ถึงคําว่าพอเพราะคําว่าอยากกับคําว่าพอเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกัน เหมือนกับความมืดกับความสว่างนี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้กลางคืนกับกลางวันนี่มันอยู่พร้อมกันได้ไหมในที่เดียวกันใช่มันอยู่คนละที่ได้ตอนเนี้ที่นี่กลางวันแต่ที่อเมริกามันกลางคืนอันไรที่เดียวกันมันอยู่ด้วยกันพร้อมกันไม่ได้ถ้ามันไม่มืดก็ต้องแจ้งถ้ามันไม่มืดก็ต้องสว่าง ถ้ามไม่อิ่มมันก็ไม่พอถ้ามันพอมันก็อิ่มถ้ามันหิวมันก็ไม่พอถ้ามันพอมันก็ไม่หิวไม่ใช่อิ่มถ้ามันอยากก็แสดงว่ามันหิวมันก็ไม่พอถ้าอยากจะพอก็หยุดความอยากซึ่มันก็พอนะใช่ไหม อันนี้เป็นหลักตักกะง่ายๆตรงไปตรงมาคำอยากจะไม่มีคำมันมันพอไม่ได้ถ้ามันอยากก็แสดงว่ามันไม่พอถ้ามันไม่พอมันจะสุขได้ยังไงก็เราจะสุขก็สุขเพราะว่ามันพอรับประทานอาหารจนรับประทานไม่ลงแล้วเนี่ยมันก็พอละ พอมันก็สุกแล้วแต่แว่ามันสุกชั่วคราวเท่านั้เดี๋ยวพออาหารหมดจากท้องไปแล้วมันก็อยากขึ้นมาใหม่มันก็หิวใหม่ก็ต้องรับประทานใหม่ความสุขผ่านทางร่างกายมันจะเป็นความสุขชั่วคราวรับประทานอะไรมันก็สุกมันก็พอชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไป แล้วก็เกิดความอยากจะรับประทานขึ้นมาใหม่ความสุขทางร่างกายนี้จะไม่มีวันทําให้เราพบกับความพอดูเท่าไหร่ฟังเท่าไหร่รับประทานเท่าไหร่ดืมเท่าไหร่มันก็พอเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องการอีกแล้วอยากอีกแล้ว มีที่เดียวเท่านั้นที่จะพอก็คือที่ใจเราเป็นที่เดียวที่เราสามารถทําให้มันพอได้ถ้า ม, มันพอแล้วมันก็จะสุขมันจะสบายแล้วมันก็จะสบายไปเรื่อยๆสุขไปเรื่อยๆถ้าเรารู้จักวิธีทําให้มันพอมันก็จะพอไปเรื่อยๆ แล้วมันไม่ต้องมีอะไรมาทําให้มันพอมันดีตรงนี้ความพอของร่างกายนี้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทําให้พอแต่มันก็ทําให้พอเพียงเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่พอขึ้นมหมีก็ต้องหาสิ่งใหม่มาเติมอีกแต่งให้พออยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราทํา ใจเราให้พอแล้วเราก็จะไม่ต้องมีอะไรมาทำให้เราพอไม่มีอะไรในโลกนี้จะทำให้เราพอได้เราให้เราได้มามากน้อยเพียงายก็ตามมันไม่พอเดี๋ยวมันก็อยากได้ขึ้นไปอีกไม่อยากได้สิ่งนี้ก็อยากจะได้สิ่งอื่นแทนถ้าสิ่งนี้มีมากเกินไปแล้วก็อยากจะได้สิ่งอื่น แล้วถ้าไม่ได้ก็เสียใจหรือไม่พอใจไม่สบายใจได้ก็อยากจะได้สิ่งอื่นอีกนี่คือความอยากมันจะพาให้เราไปสู่ความไม่พออยู่เรื่อยๆความไม่พอก็คือความไม่สุขนั่นเองแต่สิ่งที่จะทำให้เราพอก็คือความสงบ ความสงบของใจอันนี้ดีกว่าเทคโนโลยีทั้งหมดในโลกนี้ดีกว่า G P S ดีกว่ารถยนต์ที่เราจ ะ, จะพาเราไปไหนมาไหนถ้าเราไม่อยากไปสียอย่างแล้วของพวกนี้มันมีความหมายอะไรรถยนต์มันจะมีความหมายอะไรถ้าเราไม่ต้องการไปไหนนะเราพอพอใจจะอยู่กับที่นะแล้วพ อ, พอ พอใจจะอยู่ตรงนี้แล้วเอารถยนต์ไปทำอะไระเอาน้ำมันไปทำอะไรจะเจา GPS ไปทำอะไรเกะ ก, กะเปล่าๆยกลุงลังวุ่นวายไปหมดได้มาแล้วก็ต้องดูแลรักษามันอีกต้องล้างรถเนี่ยต้องหาที่เก็บต้องซื้อประกัน ต้องเติมน้ำมันต้องซ่อมบำํารุงต้องเปลี่ยนเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนยางเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนน้ํามันเครื่องมีภาระมีเรื่องให้ทําอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าทําไม่ได้ก็ปวดหัวเองนี่คือความสุขที่พวกเรา หากันอยากไปไหนก็ต้องมีรถยนต์อยากจะไปสะดวกรวดเร็วก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเสริมมันก็มีอะไรมาตอบสนองความอยากของเราอยู่เรื่อยๆแต่มีเท่าไหร่มันก็ความอยากของเรามันก็ไม่หมดไปถ้ามาได้เร็วขนาดนี้คราวหน้าก็อยากจะมาให้มันเร็วกว่านี้ เดี๋ยวก็ต้องมีวิธีผลิตรถยนต์ที่วิ่งเร็วกว่านี้วิธีที่จะไปไหนมาไหนได้เร็วนี้ถ้าทําได้ก็ดีก็คือยอ่ยอย่อตัวเรายอลล่อรถเราให้มันเล็กเหมือนกับมอสนี้มันจะได้ไม่กินที่ถนนมากถนนนี้จะได้วิ่งรถได้ที่เยอะแยะเลย แล้วก็รถก็ยังวิ่งได้ความเร็วเท่ากับขนาดเดิมนี่ก็เอาไปได้ก็ทำนี้ได้ก็สบายไม่ต้องสร้างถนนก่อนออกจากบ้านก็เลายอ่ยอย่อรถยนต์ย่อคนขับให้เล็กเท่ากับมดแล้วก็วิ่งไปตามท้องถนนนี่มันก็ไม่กินที่กันเดี๋ยวนี้เขาก็มีคนคิดวิธีเดินทางกันแปลก อันนี้มีคล็ดวิธีทำท่อวิ่งกันทาท่อแ ท, ทนที่จะเป็นถนนก็ทำเป็นท่อเหมือนท่อที่เราใช้กับรถยนต์ใต้ดินอย่างเงี้ยรถไฟใต้ดินเนี่ยก็มันก็เป็นท่อแต่อันนี้จะเป็นท่อความเร็วสูงเร็วกว่าเครื่องบินอีกความยาวมันไม่มีสิ้นสุด ต่อไปเครื่องบินก็จะเร็วขึ้นอยาตรงเทียวไปจากกรุงเทพไปเอาเองนี่อาจจะแค่ชั่วโมงเดียวแทนที่จะสิบกว่าชั่วโมงแต่มันก็เหมือนกันอะไปเร็วไปชา้าใจมันก็ยังร้อนเหมือนเดิมมันไม่ร้อนเรื่องนี้มันก็ไปร้อนกับเรื่องอื่นมันมีเรื่องให้ร้อนอยู่เรื่อย เพราะความอยากนี้เป็นไฟเป็นเชื้อไฟของใจไฟลรใจเราร่อนเพราะความอยากใจเราเย็นเพราะไม่มีความอยากเวลาเรานั่งสมาธินี่ทำใจให้สงบนี่ความอยากหายไปความเย็นมาความเย็นสบายไม่ต้องการอะไรไม่ไม่ต้องการไปไหนไม่ต้องการมีอะไร นะคือสิ่งที่มนุษย์เราไม่สนใจที่จะผลิตกันก็คือความสงบถ้าเปิดโรงเรียนสอนวิธีทําความสงบให้ทุกคนเรียนได้ก็ดีมันง่ายอย่าตายเลยโรงเรียนพระพุทธศาสนานี่ก็คือโรงเรียนสอนให้คนทําใจให้สงบถ้าจับทุกคนมาบวชได้ก็ดี ก่นมานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็สบายไม่ต้องไปไหนกันไม่ต้องวุ่นวายกันทำมันทก็ทำในสิ่งที่จำเป็นจริงๆก็พอหาอาหารหาปัจจัยสี่อันนี้ก็พอแล้วถ้าคนทุกคนมีความสงบไม่มีความอยาก อุตสาหกรรมต่างๆก็จะเหลือแต่อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเสื้อผ้าอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยอุตสาหกรรมยารักษาโรคผายไข้เจ็บก็มีสี่อุตสาหกรรมนี้ที่จําเป็นนอกนั้นก็ไม่มีความจําจเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงนตัดทิ้งไม่ได้เลย ภาพยนตร์ละครการแสดงต่างๆนักเ้อนนักแสดงของต่างๆอลนี้จะไม่มีความจำเป็นไม่ต้องผลิตขึ้นมาไม่ต้องเดินทางไปไหนอยู่กับที่สบายแล้วก็ไม่ต้องเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อุตสาหกรรม แบบแบบโบราณไม่ต้องใช้อะไรเครื่องจักรเครื่องจิตเพราะมันจะต่อเนื่องไปใช้เครื่องจักรก็ต้องมีโรงงานผลิตเครื่องจักรมีน้ำมันมีอะไรผลิตกันเองทำแบบสมัยโบราณทำนาทำไร่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปทำพอกินเท่านั้น ปกข้าวปลูกผปลูกผลไม้อยู่ได้นะ้วอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ถ้ามีความสงบแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายถ้ายัางถ้ายัางมีร่างกายอยู่ก็เลี้ยงมือนไปถ้าไม่มีร่างกายก็อยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าจะได้ไม่ต้องหาปัจจัยสี่มาให้ร่างกาย ใจถ้าสงบแล้วมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตาสาวกตอนนี้ใจของท่านก็ยังมีอยู่เหมือนใจของพวกเราที่มีอยู่ตอนนี้ต่างตรงที่ว่าใจของพวกเราต้องมีร่างกายต้องมีอะไรร้อยแปดพันประการเพื่อให้ความสุขกับเรา ใจของพระพุทธเจ้าใจของพาาาระอรหันต์นี่มีอย่างเดียวคือความสงบมีความสงบแล้วพอไม่ต้องมีอะไรอีกอันนี้แหละคือความรู้ความวิเศษของพระพุทธเจ้ารู้ในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายที่มีจำนวนอยู่นับไม่ท่วนไม่รู้กัน ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องมีมีเพียงสิ่งเดียวเนทะัก็คือความสงบถ้าเราได้ความสงบแล้วเราไม่ต้องมีอะไรคำว่าไม่ต้องมีอะไรก็สบายไม่ต้องหาเพราะเราทุกคนเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาก็ต้องหากันหาเวลาหาก็วุ่นวายกันทำงานทำการกันหา ห า, หาอะไรต่างๆทุกวันเนี่ยมันสนุกที่ไหนสู้อยู่เฉยๆไม่ได้ใช่อยู่เฉยๆกับห า, ห า, หานุ่นหานี่อันไหนมันสบายกว่ากันถ้าเราอยู่เฉยๆทำใจใสงบได้ก็ไม่ต้องหาอะไรไถ้าร่างกายไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะดืม่มมันก็แค่ตายเท่านะั้น มีกินมีดื่มมันก็ตายเหมือนกันจใจที่มีความสงบแล้วไม่เดือดร้อนกับการเป็นการตายของร่างกายเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วใจที่มีความสงบนี้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่ต้องมีร่างกายก็ตัดไอ้เรื่องที่มันเกี่ยวกับร่างกายเป็นกบวนไปหมดเลย พอมีร่างกายมันก็ต้องมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสมีอะไรตามกันมาเป็นขบวนพอตัดไอตัวร่างกายนี้ไปตัวเดียวท่านไม่ต้องมีอะไรสบายไม่มีใครฉลาดเท่าของพระพุทธเจ้าทุกคนหาความสุขจากร่างกายหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่ร่างกายสรรหามาให้ แต่หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่ไม่เจอคำว่าพอแล้วก็เวลาเสียไปก็เสี ย, สยอกเสียใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างหามาได้มันก็อยู่ที่ร่างกายอพอร่างกายตายไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสียไปหมดไปเนี่ยคือสิ่งที่เราควรที่จะหากันก็คือความสงบ ถ้าได้ความสงบแล้วจะไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรจะไม่เดือดร้อนเวลาเสียอะไรไปสบายตลอดเวลาไม่ต้องวุ่นวายพอมีความอยากแล้วุ่นวายพอมีความอยากก็ต้องมีสิ่งนั้น มีสิ่งนั้นก็เพื่อที่จะไปทำสิ่งนู้นต่อเพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากได้มันก็เป็นลูกโซ่ไป <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พระพุทธเจ้าพระลา น, นี่ท่านก็ยังอยู่เหมือนพวกเราแต่ท่านอยู่กับความสงบท่านก็เลยไม่ต้องมีร่างกายเหมือนพวกเราเพราเราอยู่กับความอยากก็เลยต้องมีร่างกาย พอมีร่างกายก็ต้องมีปัจจัยสี่พอมีความอยากไปไหนมาไหนก็ต้องมีรถยนต์มีรถยนต์ก็ต้องมีน้ำมันมีน้ำมันก็มีรถติดมีรถชนกันมีอุบัติเหตุมีอะไรต่างๆที่กำลังมีอยู่ขณะนี้มันเกิดจากความอยากไปไหนมาไหนนั่นเอง ถ้ามันไม่อยากไปไหนมาไหนมันก็ไม่ต้องมีรถจนตคนที่ไม่เข้าใจฟังแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีความอยากก็โลกนี้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมีไปทำไมโลกนี้มีแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นแต่ก็ไม่เห็นความทุกข์เนี้ยจากสิ่งที่มีกันกลับไปเห็นว่ามีความสุขกัน มีบ้านก็มีความสุขมีรถยนต์ก็มีความสุขมีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดามีอะไรต่างๆมันมีความสุขเลยทำไมไม่มีทาไมไปไม่มีทาไมเวลามันมีก็สุขเวลามันไม่มีทำยังไงเวลาไม่มีก็กระโดดตึกตายเลยมันไม่มันไม่คิดตอนที่มันไม่มี เวลามีมันก็มีความสุขกันนอะแต่เวลาไม่มีหรือว่าเรามีแล้วมันเบื่อจะทำยังไงเบื่อก็ต้องหาสิ่งใหม่กสิ่งนี้เบื่อแล้วก็ต้องไปหาสิ่งใหม่หามาเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เบื่ออีกนี่คือความหนง ลงไปคิดว่าความสุขอยู่ที่การมีสิ่งต่างๆมองไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการมีสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆมีมาก็ต้องมีไปเป็นธรรมดามีได้ก็ต้องมีเสียมีเกิดก็ต้องมีดับต้องมีการพัดพรากจากกัน มองไม่เห็นความทุกข์กันมองเห็นแต่ความสุขในสิ่งที่ในสิ่งต่างๆมองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้เราหันมองว่าสิ่งต่างๆมันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันต้องมีการจากกันทุกเพราะว่ามันเบื่อกันใช่ไหคนถึงมีภรรยามีสา ม, มีหลายคน ทำเอมีคนเดียวไม่ได้เวลาอยากจะได้เวลาเจอกันยังไม่ได้กันนี่อยากจะได้กันกนึกก่อนอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะเป็นของกันและกันพอเป็นแล้วเป็นยังไงเบื่อแล้วเป็นไปไม่นานก็เบื่อแนละ้วเบื่อขี้หน้ากันนะเนี่ยของต่ตางๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทำให้เราเบื่อ เบื่อแล้วก็ต้องทําให้เราไปหาสิ่งใหม่มาหาสิ่งใหม่มามันก็เดี๋ยวมันก็เบื่อพออะไรมัน จ, จําเจซ้ํากมันดีขนาดไหนก็เบื่อไม่เชื่อลองกินอาหารจานโปรดดูทุกวันอยู่เลยกินวันละสา ม, มื้อเนี่ยกินมันอาหารจานโปรดนั่นกินมันไปดูสักจะกินได้สักกี่วัน นี่คือสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราบรรยากาศเป็นความทุกข์เวลาที่เบื่อมันหรือเวลามันจากเราไปหรือเวลามันเสียไปมันเสื่อมไปมันเปลี่ยนไปนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมมีการหมดถ้าไม่เสื่อมมันก็เบื่ อ, อดังนั้นสรุปก็คือเรากำลังหลงทางกันเรากำลังไปทางที่ทำให้เราทุกข์กันไม่ใช่ไปในทางที่ทำให้เราสุข ก, กัน ทางที่จะไปทำให้เราสุขกันก็คือคือความสงบเราต้องดึงใจเข้าข้างในดึงออกจากรูปเสียงกลิ่นรสปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายคือไม่รับสิ่งต่างๆเข้ามาอย่าไปอ้าปาก เ, เวลาอยากกินอย่าไปอ้าปาก อยาลืมอย่าไปอ้าปาอยากดูอย่าไปลืมตาปิดตานะอยากฟังก็ปิดหูนะอยากไปฟังอย่าไปดูพุโทโธพุโทโธดึงใจเข้ามาข้างในใจเข้าข้างในแล้วสงบแล้วมีความสุขกวา่าเราถ้าโรงนี้เปลี่ยนวิธีสร้างความสุขกันเปิดโรงเรียนสอนวิธีทําใจให้สงบเด็กอนุบาลก็จะมานั่งสมาธิกันเลย ไม่ต้องเรียนกอไก่ขอไข่อะไรให้มันวุ่นวายไป A B C ก็ ABC, ไม่ต้องเรียนไม่ต้องอ่านอะไรไม่ต้องรู้อะไรรู้จะรู้จักวิธีทําความสงบอย่างเดียวพอจอไม่คนที่บวชในพระพุทธศาสนาที่อ่านหนังสือไม่ออกก็บวชได้ขอให้มีหูฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่จะต้องทํานั้นไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้ อ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่เป็นไรเป็นพระอารหันได้ก่อนที่อ่านหนังสือไม่ออกนี่เป็นพระอารหันได้ถ้ารู้จักวิธีทำใจให้สงบถ้ารู้จักวิธีหยุดความอยากได้ก็เป็นพระอารหันได้ไม่ต้องเรียนประเรียน9้าประเรียนสิบไม่ต้องเรียนนักธรรมตีโทเอกไม่ต้องไปสอบเสริฟอะไร เรีนจากปากนี่ก็พอเนี่ให้รู้จักวิธีทําพุโทโธแค่นี้ก็พอแล้วให้รู้จักวิธีหยุดความอยากแค่นี้ก็พอแล้วเป็นพระอาหารหันได้แล้วประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้แหละถ้ามีพุโทโธมันก็สงบได้ถ้ามันอยากก็อยา่าก็อย่าไปทําตามความอยากนี้มันก็จบถ้ารู้ว่าทําตามความอยากแล้วมันทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุข รู้แค่นี้ก็พอถ้าคิดเป็นถ้าอยากแล้วมันก็ยาวไม่มีจบอยากไดน้น่แล้วก็อยากจะได้นู่นต่ออยากได้อยากได้สิบก็เดี๋ยวก็อยากได้ร้อยเพราได้สิบแล้วก็อยากจะได้ร้อยเพอได้ร้อยก็อยากจะได้พันมันจะอยากไปเรื่อย รู้แค่นี้พอให้เด็กทุกคนอนุบาลตั้งแต่อนุบาลเนะี่ยให้พุทรู้จักพุทโธคําเดียวพออยู่โรงเรียนก็นั่งกับเดินพุทโธไปทุกคนทำอย่างี้ทุกคนสบายโรงจะไม่วุ่นวายจะไม่มีการแก่งแย่งชิงดีกันจะไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน จะไม่มีสงคารามพวกพวกพวกที่ก็เป็นพวกก็เละกันเพวกเพ้อฝัน ก, ก็ฝันอย่างนี้กันฝนะันว่าโลกนี้มันต้องไม่มีสงคารามต้องอยู่กันอย่างสันติสุขจะไม่บอกวิธีว่าอยู่กันยังไงอยู่สักตัวคนบอกว่าต้องอยู่สันติสุขก็ไม่ได้อยู่อย่างสันติสุขตัวคน อยากให้โลกสงบไม่มีสงกามก็อยู่แบบทำให้มันเกิดโลกเกิดสงข์ขักันขึ้นมาอยู่แบบต้องมีนั่นมีนี่กันถ้าอยากจะอยู่ให้โลกอยู่กันอย่างไม่มีสงครขังก็ต้องอยู่กันด้วยความสงบมาทำความสงบเพียงอย่างเดียวนั่งสมาธิทำใจให้สงบพุทโธพุทโธไปพอมีความอยากก็อย่าไปทาตามความอยาก บอกว่าเป็นเป็นทุกข์การทำตามความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้แล้วก็เบื่อเบื่อแล้วก็อยากจะได้ใหม่เวลาเสียไปก็เสียใจทุกข์ใจที่ฆ่ากันตายก็เพราะเวลาจะเสียเนี่ยพอใครมาแย่งของของเราไปเราก็ไม่ยอมไม่เขา้าแย่งเขาก็จะเอาพอเขาจะเอาเราก็ไม่ให้เขาเอาก็ตีกัน mm hmm. เดี๋ยวก็ฆ่ากัน ถ้าไม่มีอะไรจะให้เขาเอาเขาก็ไม่มายุ่งกับเราถ้ามีแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาแย่งจากเราไปพอเราไม่ยอมแค่เ ข, เขาเอาไปเราก็ต้องสู้กับเขาเนี่ยเห็นว่าการมีอะไรแล้วมันเป็นทุกข์อย่าไปอยากอย่าไปมีกันมีกับอยู่กับความสงบอยู่กับความไม่มีอย่างเดียวพอ นิพพานังลาังสอย่าง ค, คือการอยู่แบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรสุยญังบาลศูน ย, นย์อยู่กับ0์อย่าไปอยู่กับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อยู่กับ0์เวลาศูนย์แล้วไม่มีใครจะมายุ่งกับเราเวลามีแล้วจะต้องมีคนมาขอแบ่งไปแล้วจะ มีเงินเดียวก็มีคนมาป้นมาจี้จากเราไปถ้าไม่มีเงินเขาก็ไม่มาป้นมาจี้เสียเวลา น, นี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตก็คือความสงบถ้าอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรพบกับความไม่มีความทุกข์ต้องพบกับความสงบ เพียงอย่างเดียวถ้าพบกับความอยากแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขปลอมความสุขอำพรางความทุกข์เวลาได้ก็ดีใจมีความสุขแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาพออะไรเป็นของเราแล้วก็หวงนะหวงนะกังวลและวิตก เวลาจากกันก็เสียใจเอนพยายามอย่าไปมีอะไรพยายามเอาอย่างเดียวเอาความสงบพอเอาเวลาทั้งหมดนี้มาทําความสงบกันดีกว่าได้ความสงบแล้วจะไม่ต้องมีอะไรเอ้าคิดว่าพอสมควรแก่เวลาในช่วงแรกนี้ก็จะอนุโมทนาให้พร การเปลนฐานข้อ้าวเชยเลยจุดเริ่มต้นของความาสงบนี่ใช่สภาวะที่เราหยุดความคิดหรือเปล่าครับมันก็ตหยุดความคิดอ่ะข้อความคิดมันทำให้ใจไม่สงบเหมือนล้อดยนที่วิ่งอ่ะเราล้นวิ่งมันก็ไม่มันก็ไม่นิ่งเลยใช่ไหมต้องการให้รถมันนิ่งก็ต้องหยุดมันก็ได้สักพักเดียวครับ <c oughs> ก็ใหม่ๆก็แล้วแต่กําลังของสติเราไง แติเราก็เป็นเหมือนเบรกถ้าเบรกมีกําลังน้อยมันก็หยุดได้เดียวเดียวเดี๋ยวมันก็เบรกแตกมันก็ไปต่อจะพอหยุดได้ก็พอยิ้มได้สักพักนึงก็ยังดีถ้ามันยุดได้ครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีกําลังถ้ามันรู้ว่าต่อไปจะทำยังไงปัญหาคือมันหยุดไม่ได้สทัทีถ้ามันยุดได้จริงจริงแม้แต่ชั่วแป๊บเดียวมันก็จะ รู้สึกว่าเอเรามีความสามารถที่จะทำได้แต่ว่าเราต้องทุ่มเทเวลาให้กับมันาการเจริญสตินี่มันต้องอยู่คนเดียวถึงจะถึงจะได้ดีถ้าต้องอยู่กับคนอื่นต้องทำงานมันใช้ความคิดมันหยุดความคิดไม่ได้แต่ถ้าอยู่คนเดียวนี้ให้มันพุโทโธพุโทโธให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ต้องคิดอะไรได้ให้รู้เฉยเฉยได้ แต่เวลาทำงานมันต้องใช้ความคิดจะเอาคนนี้มาทำตรงนั้นเอาคนนั้นมาทำตรงนี้จะเอาสินค้าชนิดนี้ไปไว้ตรงนู้นมันต้องใช้ความคิดวางแผนมีปัญหาก็ต้องใช้ความคิดแก้ไปมันก็ไม่มีวันที่จะนิ่งได้เหมือนนถที่วิ่งอยู่บนทางถนนมันจอดไม่ได้เหมือนต้องวิ่งไปตามถนนถ้าจอดมันก็ไปชนกันไปขวางทางกข มันก็ต้องหาที่จอดเนี่ยต้องออกจากท้องถนนเข้าบ้านแล้วก็จอดรถใจเราก็เหมือนกันเนี่ย ต, ต้องการหาที่จอดต้องไปอยู่ที่คนเดียวไปเปรีกวิเวกแล้วมันก็จะสามารถหยุดมันได้พุทโธพุทโธไปหรือใช้วิธีอื่นก็ได้มันมีหลายวิธีที่จะใช้ในการหยุดความคิดของเรา ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หยุดเองปัญหาคือมันทำน้อยทำนิดเดียวแต่แบบคนเดียวมันจะให้รถวิ่ง1้0หยุดได้ไงก็เหยียบมันไปเรื่อยๆแต่มันไปเรื่อยๆจนกล้ามมันจะหยุดครับคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณวานนะครับตอนนั่งสมาธิเอาใจจับที่พระพุทธตรงหน้าไม่นิ่งใจคอยคิดแต่ อ้าวถ้าจิตจับที่องค์นี้แล้วอีกองค์ที่เราลักท่านจะเสียใจไหมคิดจนต้องจับที่พระอริยสงฆ์องหนึ่งอย่างนี้จะหยุดความคิดนี้ได้อย่างไรเจ้าคะถ้ามันมีหลายองค์ก็อย่าไปเอาเลยเอาพระพุทธเจ้าองเดียวก็พอคำถามจากคุณปอยเซียนนะครับเวลาที่นั่งสมาธิจะนั่งได้ไม่นานคะ่ะใจอยากจะนั่งให้ได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ระหว่างนั่งจะมีความอยากนั่งให้ได้ดังที่ตั้งใจไว้อย่างนี้ปฏิบัติถูกวิธีหรือเปล่าคะเวลาเวลานั่งอย่าไปมีความอยากเวลานั่งให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากากับใจให้อยู่กับพุโทโธไปให้อยู่กับลมหายใจไปอย่าไปอยู่กับความอยากถ้าอยู่กับความอยากแล้วมันจะไม่มีวันที่จะสงบได้ ความอยากนี้มีหน้าที่ตอนก่อนที่จะนั่งเช่นแทนที่จะอยากดูทีวีก็มาอยากนั่งสมาธิอยากให้ใจสงบตอนนั้นคนรจะมีความอยากแต่พอมานั่งแล้วให้หยุดให้โยนความอยากนั้นทิ้งไปความอยากหมดหน้าที่แล้วความอยากพาเรามานั่งแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือให้มีสติอยู่กับอารมณ์เดียวให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวมันจะสงบไม่สงบช่างหัวมัน เหมือนกับเวลาที่เราอยากจะกินข้าวเราก็ไปหาข้าวมากินพอเวลากินไม่ต้องไปอยากให้อยากให้มันอิ่มกินไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันอิ่มเองถ้าไม่กินนั่งเฉยๆอยากให้มันอิ่มนั่งไปจนมันตายมันก็ไม่อิ่มเพราะความอิ่มไม่ได้เกิดจากความอยากความอิ่มมันเกิดจากการกินพอถึงเวลากินกินไปอย่าไปอยากอิ่มกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอิ่มเอง ฉันได้เวลายังไม่ได้นั่งสมาธิต้องอยากนั่งสมาธิอยากให้ใจสงบเ่นเวลาใจวุ่นวายไม่สบายใจมีสองทางเลือกจะไปดูหนังดีหรือจะไปนั่งสมาธิดีก็ไปนั่งสมาธิดีกว่าอยากนั่งสมาธิ อ, าอยากสงบถ้อาอยากตอนนั้นดีต้องมีความอยากตอนนั้นแต่พอมานั่งสมาธิแล้วนั่งหลับตาแล้วทีนี้ก็อยากไปอยากให้มันสงบให้อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียว เพรพุโทโธจะทําให้ใจสงบเองถ้าไม่อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับความอยาก น, นั่งทําไมไม่สงบสักทีเมื่อไหร่มันจะสงบอยากอย่างนั้นไปมันก็จะไม่มีวันสงบเพราะมันยิ่งคิดยิ่งคิดก็ยิ่งไม่สงบใหญ่มันต้องหยุดความคิดความอยากก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งต้องไม่ให้มีให้อยู่กับพุโทโธได้ความคิดที่เป็นที่ไม่มีความหมายนี่ได้เช่นพุโทโธ หรือลมหายใจมันไม่มีมันไม่มีความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่มีความมันไม่ได้ทำให้ใจฟุง้งมันทำให้ใจสงบคาถามทีกคุณลมบนนะครับผมทำสมาธิมาสามปีแบบต่อเนื่องทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงทำไมจิตสงบยากจังครับก็มันทำน้อยไปความจริง <c oughs> การนั่งอย่างเดียวนี่ไม่พอมันต้อง จะเลนสติต่อเนื่องจนถึงจะทำให้นั่งราสงบง่ายเราต้องมีสติตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะตอนที่เรามานั่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะสงบยากายกตัวอย่างถ้าเราจะจับลิงนี่ให้มันมานั่งเฉยๆเนี่ยถ้าเราไม่มีเชือกผูกมันไว้เนี่ยปล่อยให้มันเที่ยวเล่นของมันไปเรื่อยๆ พอถึงเวลาจะให้มันมานั่งก็ไปตามจับมันมาเนี่ยกว่าจะไปจับมาได้ให้มันก็เหนื่อยดีดีไม่ดีจับไม่ได้หรอกถ้าเราอยากจะให้ให้ลิงมันนิ่งนั่งเฉยเฉยเวลาที่เราต้องการเราก็ต้องผูกเชือกมันไว้กับเสาสักแผงหนึ่งตอนนั้นก็ปล่อยมันทําอะไรก็ได้แต่ให้มันมีเชือกดึงมันไว้เวลาที่จะให้มันมานั่งเราก็ใช้เชือกดึงมันมาได้ ถ้าไม่มีเชือกผูกคอมันไว้ผูกตัวมันไว้แล้วก็ผูกไว้กับเสาปล่อยให้มันเที่ยวเล่นไปตามภาษามันพอถึงเวลาจะจับมันมานั่งนี่จับไ ป, ไปจับมันมาได้นะกว่าจะจับมาได้ก็เหนื่อยนะถ้าจับได้งนั้นวิธีจิตของเราก็เป็นเหมือนเหมือนลิงเนะี่ย เวลานั่งสมาธิก็คือจะจับลิงมานั่งให้มันนั่งเฉยๆแต่ถ้าเราไม่มีเชือกผูกมัดกับตัวมันไว้แล้วผูกไว้กับเสาหรือผูกไว้กับต้นไม้ไว้ก่อนนี่ถึงเวลาเราจะไปไล่จับมันได้อย่างไนี่แหละคือการไม่เจริญสติก็เหมือนกับการไม่มีเชือกผูกใจไว้พอจะดึงใจให้มานั่ง มันก็ดึงไม่ได้เพราะมันใจไปไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บางทีต้องไปไล่กลับมากว่าจะดึงมันกลับมาได้ก็หมดแรงซะก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะนั่งแล้วให้ใจสงบนี่ไม่ได้อยู่ที่การนั่งมันอยู่ที่การจเจริญสติไว้ก่อนก่อนที่จะมานั่งถ้าไม่มีสติแล้วนั่งกี่ชั่วโมงมันก็ไม่สงบคําถามข้อสอบคุณดาเลศนะครับสถานที่ ที่นั่งภาวนาต้องเป็นห้องพระหรือสถานที่ส่วนตัวที่ไม่ใช่ห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนไม่สมควรใช่ไหมคะที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีใครมารบกวนเราห้องน้ำก็ได้ห้องน้ำดีที่สุดไม่มีใครมารบกวนเราบางคนชอบคิดว่าแบบห้องน้ำเป็นสถานที่สกปรกมันจะคิดว่าเป็นการลบปลูครับอาจารย์สกปรกแล้วมันมาจากไหนลนะ่ะมันก็มาจากน้าร่างกายของเราที่สะอาดนี่ไม่ใช่ มันจะไปสก่กระป๋อตรงไหนคำถามจากคุณเล็กนะครับที่พระอาจารย์เทศสอนเรื่องการลดความอยากถ้านาไปพิจารณาและปฏิบัติตามได้จะช่วยลดกิเลสหรือความโลภอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดอันเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์ยิ่งอยากมากทุกข์ก็มากใช่ไหมครับใช่คำถามจากคุณพรวิทยานะครับข้อที่หนึ่ง เวลานั่งสมาธิแล้วหายใจไม่ค่อยสะดวกนั่นบริเวณลำคอและวางอกสาเหตุเกิดจากการเพ่งมากหรือท่านั่งไม่ถูกต้องเจ้าคะไม่หรอกอยู่ที่เรื่องที่เราเพ่งดูต่างหากถ้าให้ดูหนังดูละครนี่มันไม่อึดอัดหรอกแต่ถ้าให้มาเพ่งกับพุโทโธนี่มันจะอึดอัดขึ้นมาทันทีเพราะมันไม่ชอบข้อที่สองในท่ายืนเราพิจารณาลมหายใจแตกครู่ เกิดอาการว่างโล่งโปร่งเบาสงบต่อไปให้พิจารณาอาการอะไรต่อไปเจ้าคะดูลมหายใจต่อไปหรือพิจารณาไตรลับว่าเป็นอนัตตาถ้ามันสงบเดี๋ยวเดียวก็พยายามทำให้มันสงบตั้นานก่อนให้มันสงบสักชั่วโมงถ้าให้ได้ก่อนแล้วค่อยออกมาพิจารณาทางปัญญาต่อไปคำถามจะคุณพัชรีนะครับ ญาติาคนหนึ่งของดิฉันถามมาว่าถ้าเขาเจอเรื่องที่แย่ๆให้คิดว่าเป็นกรรมเขาต้องคิดแบบนั้นใช่ไหมดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันคิดว่าแบบนั้นในมุมมองของดิฉันเพื่อที่จะได้ทําใจยอมรับโดยไม่ฟุ่มฟายทําใจว่าเราต้องใช้กรรมส่วนบุญใหม่ก็สะสมไปดิฉันตอบเขาไปแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะเว่าถูกก็ถูกอแต่ จะไม่ถูกเต็มที่ถ้าอยากจะถูกเต็มที่ก็บอกนี่คือความจริงให้อยู่กับความจริงอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันไม่อยากจะอยู่กับความจริงใช่ไหมคาถามจากคุณจันยานะครับโยมนั่งไปแล้วมันได้ยินเสียงหัวใจเต้นพอออกจากสมาธิแล้วเหนื่อยมากเลยค่ะ แล้วก็ไม่กล้าที่จะนั่งนานๆอีกเพราะกลัวคะ่ะจิตเราหลอกตัวเองหรือเปล่าคะก็เวลานั่งมันไม่มีสติอยู่กับพุทโธมันก็เป็นอย่างเงี้ยตั้งนั่งแล้วมันต้องมีอะไรกำกับใจอย่าไปปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆไม่มีอะไรต้องอยู่กับพุทโธไปล้ว อ, อยู่กับลมหายใจไปแล้วอาการต่างๆเหล่า น, นี้มันไม่เกิดคาถามจากไม่มีเราไม่มีเขานะครับพระขโมยผ้าสบงที่เขาถวายครูบาอาจารย์ผิด พรวินัยข้อไหนครับก็ข้อขโอมอยคำถามจากคุณหนองหนองทีนะครับหนูตั้งใจรักษาศีลแปดทุกวันแต่สี่ข้อหนึ่งบางครั้งก็ทำให้ชีวิตสัตว์ร่วงอย่างไม่ตั้งใจเช่นมดหรือยุงหรือขุดดินสับไสเดืองตายโดยไม่เจตนาถือว่าศีลแปดขาดทั้งหมดเลยไหมคะหนูจะได้รับอนิสง ศีลแปดไหมคะหนูตั้งใจมากขอคําแนะนําวิธีปฏิบัติด้วยคะ่ะศีลข้ออื่นปฏิบัติได้ดีก็ขาดข้อเดียวนะทำล่วงเกินข้อไหนก็ขาดข้อนั้นข้ออื่นก็ไม่ขาดคําถามจากคุณนรินนะครับถ้าเราปฏิบัติเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆพิจารณาเห็นเกิดดับเกิดดับเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อคะจิตก็สงบดีดูตามอาการเกิดดับ ออการดูอาการเกิดดับแบบนั้นมันไม่เป็นประโยชน์อะไรต้องดูของที่เรารักมันเกิดมันดับถึงจะมีดูแฟนดับนี้ดูของที่เรารักมันดับแล้วดูซิว่าเราทําใจเฉยๆได้หรือเปล่าอันนั้นแหะสําคัญอย่าไปดูไอ้เกิดดับไปดูไฟฟ้ามันเกิดดับเกิดดับนี้มันไม่มีความหมายมันอะไรกับเราให้ดูกับสิ่งที่มันสะเทือนใจเราอั น, น, นไหรมันสะเทือนใจเรา เวลามันดับเนี่ยเราต้องมาใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้มันสะเทือนใจมันสะเทือนใจเพราะเราไม่ยอมรับความดับของมันถ้าเรายอมรับความดับของมันมันก็จะไม่สะเทือนใจเะั้นถ้าอยากจะดูเรื่องเกิดดับเกิดดับที่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเราต้องดูเรื่องที่เรารักหรือเรื่องที่เราเกลียดก็ได้รักก็เหมือนกันเกลียดก็เหมือนกันเกลียดเวลาเจอของเกิด ของที่เราเกลียดมันเกิดขึ้นมาเราก็ทุกข์ใช่ไหมเวลาของที่เรารักมันดับเราก็ทุกข์เราต้องรู้ว่าทั้งของที่เรารักและของที่เราชังมันก็มีเกิดมีดับเวลาเราไปเจอของที่ชังมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําใจว่าเดี๋ยวมันก็ดับเราก็จะได้เฉยเฉยได้อย่าไปอยากให้มันดับถ้ามันยังไม่ดับก็ปล่อยอยู่มันไปเดี๋ยวมันดับเองไม่ต้องไปทําอะไรไม่ว่าไปเจอของที่เรารัก เราก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวมันก็ต้องดับเหมือนกันเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ถ้าอยากจะดูเกิดดับเกิดดับให้ดูราบยุทธสารเสริญของเราเนี่ยอย่าไปดูไอ้ที่มันอะไรมันไม่มีสาระไม่มีความหมายกับใจของเราให้ดูกับสิ่งที่มันมีสาระมีความหมายกับใจของเราเช่นเงินทองของเราเนี่ยเวลามันเกิดมันดับเป็นยังไงทำใจได้ไหม ยศต่างๆตำแหน่งต่างๆนี่ยเวลามันเกิดมันดับเราทําใจได้หรือเปล่าสารเสริอนินทานี่เราทําใจได้หรือเปล่าสุขทุกข์ทางร่างกายนี้เราทําใจได้หรือเปล่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานี่ทําใจได้หรือเปล่าอันนี้ตัางหาคือการเกิดดับที่เราควรจะมองไม่ใช่นั่งสมาธิแล้ว เ, เห็นหนัน่นน่นเกิดดับเกิดดับเราไม่มีความหมายไม่มีความรู้สึกอะไรกับใจของเราไม่ต้องไปสนใจ เอามาเอาเรื่องที่มันมีความสัมพันธ์กับใจเราที่มันจะกระเทือนใจเราที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราเราต้องดูตัวนั้นเพื่อที่เราจะได้สอนใจไม่ให้ไม่ให้สะเทือนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วมีดับไปเป็นธรรมดาถ้ามันเห็นความจริงมันก็จะเฉยได้มันก็จะไม่ทุกเวลาสิ่งที่มัน มีความผูกพันกับเรามันมีการเกิดมีการดับไปคําถามจ้าคุณแอนนะครับตัวผู้รู้คือสติหรือจิตคะไปปฏิบัติเถอแล้วจะรู้เองพูดตอนนี้ก็เหมือนหมอกคนตาบอดว่าสีแดงกับสีเขียวเป็นอย่างไรพูดไปก็เหนื่อยคําถามจ้าคุณแนนนะครับอยากใส่บาตแต่พอเห็นกิจพระสงฆ์ ที่วงกับข้าวแล้วไม่สามารถทำใจใส่บาทในเมืองได้กลายเป็นอคติแบบนี้บาปมากไหมคะไม่บาปไม่ได้บุญนะนี่คำถามเจ้าคุณเกศร น, นะครับเมื่อเราบริจาคอวัยวะหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วจากนั้นคนที่ได้รับอวัยวะของเรามีชีวิตต่อไปและไปทำความชั่วและกรรมหนักขึ้นมาจะถือว่าเรามีกรรมร่วมกับผู้นั้นหรือไม่เจ้าคะไม่มีหรอก การกระทาของใครเป็นของมันไปของใครของมันเ็าให้เราให้รถยนต์เรามาเราไปขับชนคนตายคนให้รถยนต์มาไม่มีสวนร่วมกับการขับรถของเราแล้วคำถามจากคุณอมสิม น, นะครับผมนั่งสมาธิภาวนาลักษณะของจิตคืออยู่กับคำบริกรรมบ้างและจิตออกไปข้างนอกสลับไปสลับมาจนนั่งไฟสักระยะประมาณสี่สิบนาที จิตจะส่งออกไปข้างนอกลดลงจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นแล้วทำให้เกิดความเย็นของจิตแต่ต่อไปอีกสักพักจิตมันเหมือนจะเล่นเป็นเพราะอะไรครับเล่นไงไม่ทราบเหมือนกันครับาเหมือนเออเหมือนว่ า, าส่งออกเข้าออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาแล้วจิตตั้งมั่นมากขึ้นอา่าแล้วทำให้เกิดความเย็นของจิตแต่ต่อไปสักพักเนี่ยจิตมันจะเล่นมันคงอยากจะออกไปไอองมั้ย แสดงว่าสติหมดกําลังมันก็มันก็อยากจะออกอยู่ที่กําลังของสติถ้าสติมีกําลังมากกว่าความอยากมันก็จะเข้าข้างในพอกําลังของสติอ่อนก็กําลังของความอยากมันก็อยากจะออกข้างนอกมาคำถามจากคุณวชิราพรนะครับภาวนาพุทโธไม่ถึงสิบนาทีเกิดง่วงนอนมากๆพอล้มตัวลงนอนหลับไปเลยจะแก้ไขยังไงเจ้าค่ะก็ ก็ต้องไปนอนที่ที่ป่าช้าดูไปนอนที่ป่าช้าดูดูว่าจะหลับไหมไปนั่งสมาธิที่ป่าช้าดูหรือจะอดอาหารก็ได้คำถามจี่คุณปุ๊กนะครับเราเอาเงินที่ทำมาหากินไปช่วยน้องที่กำลังลาบากถือว่าเราทำบุญได้ไหมคะได้ก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นทานเหมือนกัน เริ่ ม, เ ร, มเริ่มจำหมดแล้วครับ uh huh. คอคาคำถามจี่คุณปัชยานะครับลูกอยากทราบในการนั่งสมาธิเมื่อเรากำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกจนเกิดอาการร้อนเย็นชาเจ็บเน็บมาให้เห็นทุกอาการก็ยังคงบริกรรมอย่างต่อเนื่องจนแขนขาก็ไม่มีอาการเจ็บชาหลุดเวทนาแต่ยังมีสติในการกาหนดลมหายใจอยู่อย่างเดิม พิจารณาอย่างต่อเนื่องก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมเมื่อเกิดสภาวะอย่างนี้เราต้องพิจารณาอย่างไรต่อไปครับไม่ต้องพิจารณาอะไรถ้าบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะสงบนิ่งแล้วมันก็จะหยุดไปเองถ้ามันยังบริกรรมได้ก็บริกรรมไปอย่าไปพิจารณาอย่าไปคิดคำว่าพิจารณาก็แปลว่าคิดไม่ต้องการให้คิดให้อยู่กับคาเดียวอยู่กับพุโทโธคาเดียว แล้วก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวถ้าคิดแล้วไม่มีวันจะสงบถ้าพิจารณาแล้วมันไม่ใช่เป็นสมาธิแล้วมันจะไปทางปัญญาแต่มันไม่เป็นปัญญาเพราะเราพิจารณาปัญญาไม่เป็นมันก็จะเป็นกิเลสมันก็จะเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านไปคําถามต่อไปเป็นคำถามจากภาพพิสูจน์นะครับจากศิษย์วัดป่านะครับถ้าเราภาวนาแล้วเห็นภาพมีคนมากราบลา บอกพรุ่งนี้เช้าจะกลับบ้านเก่าพอตอนเย็นของอีกวันเขาก็ตายแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรขอรับคือผมบวชได้สี่พรรษาแล้วขอรับฝากถามพระอาจารย์เออก็แปลว่าเรารู้ว่าเขาจะตายเยอ้ยคำถามหมดแล้วครับอาจารย์ YouTube YouTube YouTube นีปะ YouTube YouTube ไม่มีครับอาจารย์แต่ YouTube เขาจะเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งมาทาง Facebook ดังั้นทางภาษาไทยวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อน